ถ้านเน้นให้สักเจ็0สิบสามสิบแม้ค อ, อยู่ที่เราแะเจ็สิเปอร์เซ็นต์ถ้ามีการออกไปรับรู้ต่อสิ่งมันกระทบบ้างก็ไม่ควรเกินสามสิบมันจะรักษาระดับไว้ได้แต่ส่วนใหญ่มันคว้ยกันกลับข้างกันไปที่ด0ี่เจ็ดสิบอยู่ที่นีสาสิบหรืออยู่นี่ยี่สิบไปแปสิบหรือยู่นี่สิบหรือยู่นีเก้าสิบอย่างเี้ยอันนี้คือท่อางบาลาญยากอยู่แต่ถ้าค่าสิบกสเสียงใช่ไหม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 อเสียงร้อนเอ่ยแล้วก็กระแสะอะไรอะไรนี่กัตติบเเิเนจีก็แรงกว่าในช่วงชาช่วงบ่ช่วงเช้าช่เช้านี้โพสิทีบิเนจีก็ยังยังคงอยู่ใช่ไหมเพราะโพสิทีบิเนจีมันจะหลังออกจากกวางมันตั้งแต่ตีสองไปถึงหกโมงเช้าแล้วทิ้งช่วงไปถึงเพลนได้แต่พอหลังจากทเที่ยงไปแล้วเนี่ยมันกลับหา้างและว่าทิศเอียงพวนี้เหมาือนกันเอกติบิเนจีก็ลุ่มออกมาเราจะต้องต่อสู้กับพลังเหล่านี้